พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าเชื่อในบุญบา ร, รมีของเจดีวันนี้เป็นวันพุทธที่7มิถุนายนพุทธศักราช2560 นาคที่จะบวชในก่อนข้อพรรษาและกพระที่จะบวชปี 2,560 วันที่ 23-24 มิถุนายนพุทธศักราช 2,560 นัดรวมนาคที่จะบวชในพรรษาปี60นี้และกวันที่1กรกฎาคม60 บวชพระเข้าพรรษาปี2560เรงบอกก่าวแจ้งข่าวให้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาติโยมที่ได้ฟังเสียงหลวงพ่อเด้รับรู้รับทราบนะและก็วันที่8กรกฎาคม2560เป็นวันเสาร์เป็นวันอาสสราหาบูชาวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันเข้าพรรษาปีนี้นะ ปี60เนี่ยเป็นวันอาทิตย์วั น, วนอาทิตย์ที่เก้ากรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาพรนธการบวชของเราผู้ที่จะนำลูกหลานเข้ามาบวชก็ต้องนำมาก่อนวันเข้าพรรษาสองอาทิตย์อาทิตย์แรกเราจะฝึกซ้อมขานนาคให้ถูกอักระ แล้วก็อาทิตย์ที่สองก่อนจะเข้าพรรษาเราจะบวชพอบวชเสร็จแล้วก็จะมีการท่องท่องวิธีการแสดงอาปัดแล้วก็ท่องวิธีการเข้าพรรษาแลวก็ปรับกายวาจาใจของตนเองเราจะได้ท่องท่องทานอาหารมื้อเดียวนี่แหละอันนี้คือปรับตัว แล้วก็จะได้รับคำแนะนำว่าการบวชในคราวนี้ครั้งนี้เราจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนี่แหละว่าผู้ใดดำนาคมาช้านะเราจะไม่รับพิจารณาเพราะใดเพราะมันช้าทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับพระไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาจะรับพระบวชอย่างเดียวนะภาระของท่านอย่างอื่นมีตั้งเยอะแยะ อย่างน้อยกับท่านก็ภาวนาของท่านชีวิตประจาวันของท่านท่านปฏิบัติอย่างไรท่านเป็นนักพรตนักบวชมันไม่ใช่ว่าท่านจะมาคอยรับบวชพาลูกพาหลานอย่างเดียวนะเพราะนั้นให้พวกเราลูกหลานทุกคนที่จะมาบวชก็ให้เตรียมพร้อมะแล้วก็หลวงพ่อเองไปหลายวัน ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเจดี์พิพิธภัณฑ์กองหลวงตาวันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะพูดพูดเหมือนกันนะป่าลพบัยกับคณะชาตญาติโยมลูกหลานแต่ทีงงไงหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับ อ, อินโดนีเซียให้พวกลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อไปที่นูน่นโอ้หลวงพ่อรวยนะลูกหลานนะ พี่น้องชาวอินโดนีเซียเขาถวายจตุ ป, ปัจจัยเขาถวายอังเปาสองแดงๆมีรอัแต่สงแดงๆทั้งหมดนะเพราะพี่น้องอินโดนีเซียโดยมากเป็นชาวจีนมากแพบเหมือนกับคนไทยนะพี่น้องคนไทยของเราก็โดยมากเป็นชาวจีนก็ยังยึดถือแนว ป, ป, ปู่ย่าตายายเขา เคยปฏิบัติมาพอเห็นพระครูบาอาจารย์ไปก็ถวายจตุปัจจัยแต่เป็นเหรียญอินโดนีเซียนะเป็นปัจจัยอินโดนีเซียก็ถวายปัจจัย4นะี่ะประคุณท่านต่องการอะไรถวายปัจจัยไปแล้วปัจจัยก็คือแก้วสารพัดนึกนะถ้าได้มาแล้วใช้ให้เกิดไปเกิดประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษนะการสุดแท้แต่ผู้จะใช้ เขาก็เจตนาดีอยากจะให้พระคุณท่านใช้ให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเขาก็ถวายมาต่างคนก็ต่างถวายคนละมากคนละน้อยแต่รวบรวมทายกที่ไปด้วยหลวงพ่อนะรวบรวมกันทั้งหมดที่ดทได้มาที่ไปหลายแห่งได้ทั้งหมดได้ปัจจัยทั้งหมดนะลูกหลานนะหลวงพ่อรวยนะได้ปัจจัยอินโดนีเซีย ส4 9้สาล้านฟังด้ย่ล้านสาม0 0นห้00บาทนลูปี <laughs> ไม่ใช่เป็นบาทถ้าได้บาทคงจะรวยเละแล้วอันนี้ลูปีที <laughs> ่งิคิดเป็นเงินไทยออกมาได้ประมาณล้าน หลานต้นๆเพราะแสนหนึ่งได้เงิน2 0 0 2้อยสหรือนี่แหละต่อบาทนะต่อหนึ่งแสนูปีนะเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อได้มาเราหลวงพ่อก่อนที่จะออกมาจากอินโดนีเซียมีพระติดตามหลวงพ่อไป9องค์แล้วก็มีพระติดติดตามอยู่ในอินโดนีเซียอีกที่เป็น คณะธรรมทูตของอินโดนีเซียหลวงพ่อก็นิมนต์มาไปชุมกันในห้องเสร็จแล้วบอกหกพ่อก็บอ ก, กว่าจะตุปัจจัยทั้งหมดนี่นะสามอยสีล้านนะ่ย เ, เราจะมอบไว้กับอินโดนีเซียทั้งหมดเราจะไม่นํากลับประเทศไทยมันปัจจัยเกิดที่ไหนของควรจะไว้ที่นั่นนะพวกท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายก็เห็นด้วย เพราะว่าประเทศอินโดนีเซียก็ไม่แพ้ประเทศไทยการศึกษาพวกพี่น้องประชากรก็ยากจนเหมือนกับประเทศไทยของเราเนี่แหละเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่เขาก็โอ้พัฒนาประเทศเขาไปเขานี่ต่างหงงูต่างตากับจากปีที่แล้วนะเขาพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดทีเดียวในอินโดนีเซียนะแต่หลวงพ่อก็มอบปัจจัยให้มูลนิธิวัด และกัาราชฐานที่อกสารการศึกษาเด็กที่มาเรียนหนังสือในวัดที่ทนไม่มากก็บอกให้พระที่ดูแลที่ละสามแสนบั่งสามแสนสี่แสนสองแสนมูลนิธิวัดผลทีุ่ดเกลี้ยงเลยละลูกหลานเลยเป็นอันว่า หลวงพ่อเนี่เหมือนกับพ่อนกนะพ่อนกแม่นกออกบินออกจากรวงรังไปหาเหยื่อในต่างดินต่างแดนแต่พอได้มาแล้วขาวนี่พ่อนกแม่นกไม่ได้เอาข้าบเหยื่อมาให้ลูกหลานนะแปลว่าไปไ ป, ไปแล้วก็กลับมามือเปล่า แต่ลูกหลานก็ต้องอดทนเพราะว่าอหลวงพ่อของเราเห็นประโยชน์ในต่างแดนที่ไปโปรดเข้าแล้วนะอไปโปรดด้วยน้ําใจาไปสงเคราะห์ด้วยน้ําใจาถ้าพอไปแล้วจะให้เขาได้คิดว่าโอ้หลวงพ่ออินอามาที่อินโดนีเซียพอมาแล้วแสดงธรรมศรัทธาญาติโยม นับถือเลื่อมใสล้นหลามเขาถวายเงินไม่รู้เท่าไหร่ละ เ, ออเป็นถุงเป็นถุงไปผลในสุดเขาคงจะเอากลับประเทศทั้งหมดหลวงพ่อหัวก้าน เ, ออเขาจะตําหนิพระพุทธศาสนาได้เหมือนกับเราไปกอบไปโกยไปทําให้พุทธศาสนามัวหมองหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องถึงอติเลกาลา เรื่องลาบเรื่องยศใช่หลวงพ่อก็จินดีอยู่แต่บอกควรจะเอาอย่างไงควรเจทบทำอย่างไงให้เกิดประโยชน์แต่ของวัดของเราก็มีอยู่มีฉันอยู่แล้วบิณฑบาตเห็นไหมฉันในท้องแตกก็ท้องแตกแน่ๆวันนี้แต่ละวันเพราะนั้นเราไม่กลัวต้องกลัวอดกลัวยากเรื่องปัจจัยก็เป็นเรื่องช่วยเสริมอ่ะเอามวยความสะดวกส่วนนึงแต่เราก็ไม่ปฏิเสธ แต่ที่ใดที่นั่นเราก็ต้องมอบไฟ ไ, ไว้ที่นั่นถ้าเราเออกมาเป็นผลเสียจะมากกว่ามอบไ้ที่นั่นแล้วก็นะเป็นที่ยินดีปรีดากันทวนหนะอันนี้คือจตุปจัจจัยจตุปัจจัยที่หลวงพ่อได้มาที่อินโดนีเซียพอน้งองขอบอกกล่าวให้คณะทัทธทยญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะแลวเราหลวงพ่อมาที่ พอมาลงบินที่ขอนแก่นก็จะมีการทอดผ้าป่าสามาัคคีเพื่อหาทุนให้กับสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินพหลวงพ่อเป็นประธานหมู่นิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นที่โรงพยาบาลศรีนครินเมื่อวันที่ส่วันที่สี่มิถุนาวันนี้เป็นวันที่เจนะได้เงินทั้งหมด8ล้านนะลูกหลานนะ มูลนิธิของหลวงปู่มั่นอันนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นได้เงินทั้งหมด8ล้านกว่ากว่านิดหน่อยเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธเด็กหลวงพ่อกขามอบให้หมดแต่หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้มอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปีนี้นะแต่ทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจะถวายปีละสา0แสนสี่แสนหกแสนหลวงพ่อจะให้นะแต่ปีนี้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อใจไม่ใหญ่นะลูกหลานเนะ้อ แต่เห็นได้จตุปัจัย8ล้านนะครับข้าหน้าจะเพียงพอเพราะบริหารจัดการที่ผ่านๆมาประมาณปีละหกล้านกว่าดูแลพระสงฆ์โรงพยาบาลศรีนครินแต่ปีนี้ได้8ล้านก็รู้สึกว่าอบอุ่นเพียงพอแต่หลวงพ่อไม่ได้สมทบเนื้อปีนี้เนะเพราะเหตุไรหลวงพ่อกบอกวันหลวงพ่อยังมีหนี้สินหนี้สินติดตัวอยู่ แต่หนี่สินตัวนี้ก็ไม่ในหานาักหนาอะไรหรอกแต่กระบอกกล่าวให้คณะัาธาญาติโยมได้รับผลกราท บ, บ, บแต่ถึงยังไงก็ต้อง เ, อเมื่อเป็นหนี้สินแล้วก็ต้องระวียงระวังการที่จะใช้จ่ายอะไรอย่างเมื่อวันที่22 22ี่22พฤษภาหลวงพ่อก็ไปทอดผ้าป่าเป็นประธานสงฆ์ในการทอดผ้าป่าสามัคคีที่อำเภอสังคมเพื่อสร้างตึกหชั้น ที่โรงพยาบาลอำเภอเพราะทางฝ่ายพระนี่เป็นผู้อํานวยการสร้างหลวงพ่อจันมีหลวงพ่อเล็กเป็นผู้สร้างโรงพยาบาลแต่พอทราบ ว, ว่าท่านเป็นหนี้สินหลวงพ่อก็เลยเข้าไปเป็นหนี้สินมากอยู่ประมาณสี่สิบกว่าล้านที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออื้องเอาแล้วเข้าไปช่วยพ่อเข้ไปช่วยวันนั้นก็ได้ จะตัุปัจจัย9้าล้านนะพอ9้าล้านหลวงพ่อเออหลวงพ่อสมทบเข้าไปอีกนะหนึ่งล้านแต่ตุปัจจัยของวัดนะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะปัจจัยของวัดป่านาคำน้อยคณะสิทธิอนุสิทธิของวัดนี่แหละแต่หลวงพ่อยังเป็นนี้สินอย่างอื่นอีกแต่หลวงพออ่อคนนี้เห็นว่าที่นี่มีความจำเป็นเร่งด่วนถ้าไม่ได้มีเงินก่อนนี้เข้ามาการงานก็คงจะชะ ง, งักไป เพนะราะนั้นหลวงพ่อจึงเห็นว่าควรจะให้งานเดินไปเรื่อยๆถึงจะไม่ปิ้งจิ๋วให้ตุ่มเตียมตุมเตียมไปดีกว่ามันหยุดชะ ง, งักพะ ง, งาบพะ ง, งาบก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยร่วมสมทบเข้าหนึ่งล้านบาทอำเภอสังคมนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ถือปัจจัยมานะไม่ได้ถือเช็คมานะไม่ได้เตรียมอะไรมาเพียงแต่ว่าแตะโป่งไว้เออว่าแตะโป่งไว้ เ, เมื่อมาถึงวัดแล้วหลวงพ่อจึงจะโอดให้แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะได้ไปอินโดนีเซียเนอะวันที่ยี่สิบสี่แต่วันที่ยี่สิบสองหลวงพออกว่ายีานะ่สิบสองพฤษภาหลวงพ่อจะเดินทางวันที่ยี่สิบสี่จากนั้นหลวงพ่อก็เดินทางพอขึ้นนั่งรถหลวงพ่อก็สั่งไว้นะไอ้โซเฟอร์มีทหารหนุกก่มมาโซเฟอร์นะถ้าหลวงพ่อไปบินไปอินโดนีเซียนะ เครื่องบินตกตายนะหลวงพ่อไปถึงที่นู่นเป็นลมมาไรตายแต่พวกเจ้าทั้งหลายต้องรับทราบไปนะต้องบอกให้ครูบาด้วัดเอาปัจจัยให้โรงพยาบาลอำเภอสังคมปัจจัยของเราคงจะพอมีอยู่มั่งใ น, นเมื่อเราตายแล้วคงจะมีอยู่ละคนมาทำบุญหลวงพ่อใจใหญ่ขนาดนั้นลูกหลานแล้วก็นเนี่ยวันที่ มาที่โรงพยาบาลศีศีศีนครินวันที่4ี่กำลังจะเข้าพิธีสวดมนต์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นไม่ใช่โรงพยาบาีนครินนะศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอีกแห่งหนึ่งโรงพยาบาลศีนครินอีกแห่งหนึ่งศีโรงพยาบาลศีนครินคือโรงพยาบาลแพทย์นักเรียนแพทย์มีสอนแพทย์สอนวิธีแพทย์ แต่โรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นศูนย์หลายจังหวัดเข้ามาเข้ามาขอเครื่องมือจากหลวงพ่อตั้งแต่ก้อน้านี่แต่แต่หลวงพ่อไปทอดผ้าป่าให้เขาเกี่ยวกับหาทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปทอดผ้าป่าคราวนั้นก็นเลยรวบรวมได้สมล้านนะเพื่อเป็นทุนการศึกษาตั้งชื่อว่าพี่ให้น้องนี่แหละอันนี้คือสาธิต สาธารณประโยชน์ในหลวงพ่อได้ไปร่วมนะโดยมากนะทีนี้เขาก็เลยมาขอว่าอยากจะได้เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับตาพวกที่เป็นเบาหวานเบ า, เบาหวานขึ้นตานะี่ยถ้าใครเป็นเบาหวานจะรูนะ้เบาหวานขึ้นตามันจะมองไม่เห็นมันจะตาบอดเอนาะแต่เครื่องมือของเขามันเก่าแล้วใช้มานานแล้วก็มีหมอหลายคนเครื่องมือไม่เพียงพอนะพวกที่ฉันพกหนูขอ เครื่องมือสักตัวเดืเอดเทอร์ลุงพ่อนะเท่าไ ร, ร่ลยสามล้านโถยี่สิบไอสองล้านก็มีตัวล้านหกก็มีสามตัวจุดแท้แต่ลุงพ่อจะเมตตาเอาตัวล้านหกก็ได้แล้วก็ตัวนั้สามล้านก็ได้ตัวตัวสองล้านเนะ่ะใช้ไม่ถ้อยไม่ค่อยถูกจุดประสงค์เท่าไหร่ถ้าลุงพ่อจะเมตตาก็ขอล้านหกกระสามล้านเราก็พิจารณาเดีอยวอืมเขาก็เป็นภุมิ เออไม่ใช่ว่าโลกโหโมกนะุณะเออถามว่าไม่ได้ตัวสามล้านตัวล้านหกนแะค่แค่ว่าเป็นจุดที่เขาต้องการเราก็เอารับไว้พิจารณาพนอะกลับมาถึงวัดเราก็เลยมาตรวจดูกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดูบัญชีออ้น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ให้หลวงตาเนี่ยหลวงตาสมบัติได้ประสานไปทางบริษัทเขาเขาก็ว่าถ้าจะเอาจริงวัดจเจ้าจริง บอกว่าเราจ่ายสดเลยนะอืไม่มีเต่ายโตเต่ายเตียงไม่มีอะไรนะ่ะคอพิช่งคอมิชมชันไม่มีอะไรทั้งหมดจ่ายสดให้เลยเขาก็ลดลงมาให้ล้านสองล้านแปดแต่ลงตาพอก่อนนั้นไดไหมสองล้านห้าไดไหมเขาก็เลยตกลงให้สองล้านหกนะเนี่ยแหละสองล้านหกแสนแต่ทนี้เมื่อวันที่สีที่ผ่านมาเขาก็เขาก็ได้เครื่องมือละ เขาได้เครื่องมือมัอมแต่วันที่11พฤษภาคนมะเขาสั่งมาจากต่างประเทศเลยนะส่งมาทางเครื่องบินเลยเขาก็บอกว่าหลวงพ่อจะเอาเข้าไปให้หลวงพ่อเลยใช่ไหมผมใม่ใ ม, ม, ม, ม่ใหอ้พวกเราเอาไปใช้ก่อนไปใช้ให้คุ้นเชื่องกับเครื่องมือสกวอนมันดีไหมเป็นที่พอใจไหมมีปัญหาอะไรไหมใช้เลยเขาก็าไปใช้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคนมะ ววันที่สี่มิถุนาเขามาพูดใ้หลวงพ่อว่าเขาจะเก็บเงิ น, น, นหน้าหลวงพอ่อวันที่เท่าไหร่ล่ะ ว, วันที่10บเนี่ละที่เขาจะเขามาขอเก็บเงินเน่เดี๋ยววันที่10ที่จะถึงวันนี้เป็นวันที่7น็นันลูกหลานนะวันที่10เนี่ยเขาคงจะเข้ามาพอเข้ามาเจ็ดแล้วเขาก็เอาเอกสารมาให้หลวงพ่อได้รับเอกสารเรียบร้อยหลวงพ่อก็คงจะโอนปัจจัยของวัดนั่น ที่เราได้รับมาเนะี่ยคงจะให้โรงพยาบาลคูศูนย์ขนแก่นต่อไปใ ห, ให้กับเครื่องมือตานะีอันนี้นะขอให้ลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินหลวงพ่อพูดนะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้กับประเทศชาตินะและก็พร้อมการหลวงพ่อเองก็ได้รับปากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่านะ เจดีของหลวงตาน่ยหลวงพ่อรับห้สิบล้านบาทในกลุ่มของเรานะถ้าผู้ใดมีศรัทธานั่นก็เอาโอนเข้ามาถ้าเชื่อในหลวงพอนะ่อแต่หลวงพ่อไปพูดในอินโดนีเซียหลวงพ่อก็พูดนะถ้าใครเชื่อในหลวงพอ่อเอามาถ้าจะให้หลวงพ่อไปหาเงินไปหาที่ไหนก็เอาจากลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมนี่แหละแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่เชื่อในหลวงพอ่อยาเอาเข้ามานะหลวงพ่อไม่ต้องการคนที่ไม่ไม่เชื่อใจกันนะ ออกมาทําไมพอออกมาแล้วก็มีปัญหาอย่าเอามานะถ้าผู้ที่เชื่อลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่ออินเอามาหลวงพอ่อเอารับจตุปัจจัยจากลูกศิษย์ลูกหาเนะี่ยจะมาจากไหนที่หลวงพ่อรับไปแล้วห้าสิบล้านแต่หลวงพ่อก็มั่นใจที่ได้รับนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อยังเป็นหนี้นะศรัทธาญาติโยมถ้าจะว่าไปหนี้สังคมหนึ่งล้านใช่ไหมละ่ะนี่เครื่องมือแพทย์อีกสองล้านสองล้านหกใช่ไหมละ่ะ นี่เจดียของหลวงตาอีกที่พูดไปห้าสล้านแต่จ่ายไปแ ล, ล้วสองล้านยังเหลืออยู่48ล้านนี่แหละหลวงพ่อเป็นหนี้นะแต่ที่ยังไงก็ตามที่พูดให้ฟังทุกคนไม่ต้องหนักใจหลวงพ่อคิดดีแล้วหลวงพ่อจะได้พูดออกไปถ้าวรหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ของสูรเจ้าทั้งหลายถ้าหลวงพ่อพูดแบบงโง่ๆรับแบบงโง่ๆจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกสูรเจ้าได้อย่างไร หลวงพ่อคิดดีแล้วจึงได้พูดออกไปคิดว่าไม่มีปัญหาฮอในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อจึงพูดออกไปเอหลวงพ่อคงจะมีแล้วขมังเอออันนั้นไม่ต้องพูดถึงมีหรือไม่มีเป็นเรื่องของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะเสกใบไมใ้ให้เป็นเงินก็ยังได้ถ้าหากว่ามีบุญบา ร, รมีนะถ้าไม่มีบุญบา ร, รมีหลวงพ่อนี่เสกใบไม้ก็เป็นขี้เท่าขี้ผุนขี้ฝงไปหมดนะ เพราะนั้นหลวงพ่อเองเชื่อในบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อส่วนหนึ่งเชื่อในพระคุณขององค์หลวงตาส่วนหนึ่งเชื่อในบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ น, นันเลิศประเสริฐองค์ที่สองก็คือหลวงตาองค์ที่สามก็คือบุญบา ร, รมีของเราคงจะได้ทำมาคงจะไม่ให้ติดขัดในเรื่องเหล่านี้ น, ะนี่แหละขอแจ้งข่าวให้พวกลูกหลานได้ทราบและก็พร้อมกันเมื่อวันที่สาสิบที่ผ่านมา 30พิพุธภาเป็นธรรบุญเปิดโลกทาศัที่วัดป่าบ้านตาเขาประกาศในวันนั้นแล้วบอกว่าบริษัทที่จะมาสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานี่ได้แล้วนะสอบุญมีลิศบริษัทมาจากกรุงเทพบริษัทใหญ่แล้วก็ตกลงกันแล้วคณะกรรมการตกลงกันแล้วค่าขอสร้างทั้งหมดที่รับตกลงกัน 4 9 0รเล้านเจ J ีเจดีพิพิธภัณฑ์เจและสาลาลายนะยังไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นนะพิ พ, ธพิธภัณฑ์ยังยังไม่มีอันนั้นยังไม่ยังไม่คิดราคาออกมาคิดราคาสองอย่างก่อนเพราะตัวนั้นยังยังไม่พร้อมนะตัวนั้นยังมีปัญหาเรื่องไม่ใช่ปัญหาเราคล้ายๆกับว่าข้างในเราจะทำยังไงนะมันเป็นเรื่องละเอียดออดมากเลยเรื่องพิพิธภัณฑ์นนะ แต่เจดีกับสาลาลายเนี่ยซาลาลายก็มีประพุทธรูปหลงปู่เสาหลงปู่มั่นหลงตาท่านเองอยู่ข้างในแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยประวัติของหลงตาเนี่ยจะเอามาอย่างไงจะต้องปรึกษากันอีกให้แนวความคิดอีกมากมายหลายทีเดียวแตนี่เพราะนั้นตัวนี้ยังราคายังไม่ตกลงกันให้ทำสองอย่างก่อนเซ็นสัญญาสองอย่างก่อนสรุปแล้วก็คือเนี่ย 4 0 0 90ล้านที่จะเซ็นสัญญาวันที่17นี่จะถึงนี่นะนี่แหละหลวงพ่อของงจะได้ไปฟังฟังในการเซ็นสัญญาของของข่าว2วันที่17มิถุนาพุทธศักราช2560อจะเป็นวันเซ็นสัญญาประมาณ10นาฬิกานี่แหละเจดีย์ของหลวงตาเก้าไปเรื่อยนะค่อยนะณาจาติโยมลูกหลาน แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อกับนี่นะจะตุปัจจัยของปัญตามีเท่าไรหลวงบวกลูกหลานก็คงอยากจะรู้อีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อทราบมาว่าประมาณ500 530 ก, กว่าล้านนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะกว่าแล้วก็ได้นะอาจจะกว่าแล้วเพราะคนทยอยทําบุญเมื่อวันที่30พฤษภานะ เ, เขาก็ทําบุญวัดป่าปัญตา์ เปิดโลกาธาต์ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะแต่รวมกับหลวงพ่อเข้าไปเองเนี่ยห้ล้านนะมันก็ปลาเข้าป่าเข้าไปเคือจะหกร้อยล้านน่ะนหลวงพ่อเน่ยยังยืนยันยืนยัดคําเก่าอยู่ที่จะช่วยที่จะทําบุญกับหลงตาสร้างพระเจดีย์หลงตาเอา้าทําไมหลวงพ่อจึงใจใหญ่ขนาดนั้นนะคือหลวงพ่อตั้งแต่ลิเริ่มทุนกระหม่อมฟ้า ย, ยิ่งมาวางเจริญเลิกครั้งแรกนะ หลวงพ่อก็ถามก็ชุกประสิทธิ์ถามปัจจัยของวัดมีมากเท่าไหร่ปัจจัยที่จะสร้างพระเจดีย์มีอยู่ร้อยกว่าล้านนะแล้วก็หลวงพ่อก็จิ๊บประสาบถามผู้ออกแบบ เ, เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนะี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่ในการก่อสร้างสามร้อยล้านครับ300บกว่าล้านครับเอาเจ้าของดีแนละ้วของทำ ถ, ถ้าเอาของมันดีแล้วบอกของปูนทานาําะาม300ล้านครับ โธเรากนนึกในใจหมู่มับตายตาหลวงตาไม่อยู่ได้ทำยังไงถ้าหากว่าหลวงตายังอยู่อย่างสร้างโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดร น, น่ะตึกสิบชั้นหลวงตายังอยู่เท่าแก่กกหงษ์ท่านก็กล้าเซ็นสัญญากับคู่สัญญาใช่หเพราะหลวงตาเป็นแบ็คหลังอยู่ถึงไงหลวงตาก็ไม่ทิ้งไนงะ แต่หลวงตาไม่อยู่แล้วจะทำยังไงจะให้ใครเป็นแบกหลังจะให้ใครเป็นคู่คู่สัญญาแต่เขาคู่สัญญาพ่อแม่ไอ้ลูกหลานของเขาเออลูกหลานของเขาจะให้ปู่ย่าตายายเขาเซ็นสัญญาเลยพเพราะเซ็นสัญญาเสร็จแล้วถ้าไม่มีเงินเออเขาก็จะต้องฟ้องคู่สัญญาตายจิบหายทั้งตระกูลเออเขาจะทำได้ยังไงเนีหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนั้นอยนะ่างนะที่หลวงพ่ออืมเราต้องกัดฟันสู้ เราในฐานะลูกของหลวงตากลุ่มหนึ่งเราต้องเป็นฮีโร่เข้าไปแบกเหมือนกับคังคกเนี่ยเข้าไปดันขอนอยางรักษาอาการแหละหลวงพ่อเลยใจสู่เงิน อ, อท่าไงก็ต้องเจดีหลวงตาให้สําเร็จหลวงพ่ออ้อาวลูกศิษย์ในนามของลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยวัดปา่านาคําน้อยนี่ผู้ทีเออ่เชื่อนับถือของหลวงพ่อเนี่ยเชื่อถือหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ ย, เ อ, อ เ, ยเอาในกลุ่มของหลวงพ่อเนี่ย รับ50สล้านบาทนะเนี่แหละความเป็นมานะลูกหลานนะให้ลูกหลานทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าลูงพ่อทำไมจึงใจใหญ่ทำไมจึงได้คิดพูดออกมาอย่างนั้นตอนน่อในที่สาสารณะ เ, เมื่อพูดออกไปแล้วก็เป็นคำพูดที่ยืนยันเป็นวาจาที่ว่าตั้งจิตตั้งใจต้องให้สำเร็จในจุดนั้น ถ้าเราพูดออกไปแล้วมันไม่สําเร็จมันก็ขายหนาหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อก็มุดแผนดินหนีเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็มั่นใจนะลูกหลานนะคณะสัตยาธิโยมแต่วันนี้หลวงพ่อพูดกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังในการบริหารหรือการจัดกา ร, ร, การเรื่อการดําเนินของหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดยังไงให้กับลูกหลานตั้งแต่อินโดนีเซียมาหนะลวงพ่อคิดยังไง ได้มอปัจจัยอย่างไรเ้วก็ปัจจัยที่เราจะต้องใช้ช่วยเหลือชุมชนสังคมโรงพยาบาลหลวงพ่อคิดอย่างไรการสร้างพระเจ ด, ดีย์ขององค์หลวงตามาถึงไหนอย่างไรแล้วก็มาโค้งสุดท้ายกับมาลงที่เราจะหาปัจจัยบูชาพระคุณองค์หลวงตาอย่างไรนี่แหละให้แจ้งเขาให้ลูกหลานได้ทราบ วันนี้ก็ให้แนวความคิดกับลูกหลานส่วนหนึ่งเอาต่อนี่ไปพระสงฆ์เจ้านุมโมธนาให้พร ล, ลับพรในทสีหน้า